Oh. Uh -huh. เิในสมาธิกัน <c oughs> การทำสมาธิก็มีหลายๆหลายหลายแบบก็ต้องดูจริตของผู้ปฏิบัติว่า เราถูกจริตแบบไหนคือทำอย่างไรก็ได้ขอให้ใจของเรานะสงบจนแนบแน่นจิตรวมเป็นหนึ่งเดียว นั่นก็เกิดสมาธิจิตแล้วก็ทำจนเกิดความชำนาญในการเข้าออกในฌานสมาธิพอเราได้สมาธิพอสมควรที่ยังให้จิตใจของเรานั้นสงบลงได้ แล้วก็หมดจากความฟุ้งซ่านหมดจากความลังเลสงสัยใจไม่ผูกติดอยู่กับความแค้นอาฆาตพยาบาทหรือการเบียดเบียนชีวิตไม่เคลิอบเคลิม้มอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราสามารถดำรงคงไว้บิสติอันมีจิตที่สงบลงและก็แนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวยถ้าเราทำได้ถึงจุดนี้นไม่ว่าจะมาทางไหนเราต้องมีสติ ที่อยู่กับความสงบแล้วก็กำหนดลงไปไม่ว่าจะเป็นอายตนะภายในภายนอกตาที่เห็นรูปหูที่ฟังเสียงกายที่สัมผัสถูกต้องใจที่รู้ธรรมะมน้อยใหญ่ ทั้งหมดที่มีสัมผัสสัมพันธ์ความสืบต่อไม่ว่าจะมาด้านรูปรสกลิ่นเสียงถ้ามีสติอยนูะ่อย่าพึ่งไปปรุงแต่งในจิตให้มากเกินแต่ให้ กำหนดและพิจารณาสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสได้กระทบให้กำหนดรู้ก่อนจันความโลภความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นก็เพราะเรานะ่ไปปรุงแต่งจิตเสียมากเกิด ถ้าจิตของเรายังวางอยู่สงบอยู่ได้นะความโลภเกิดไม่ได้เพราะเราไม่ได้ปรุงจิตความโลภ ก, ก็ไม่เกิดทั้นนั้นความสงบแห่งใจนะก็เป็นที่พักของจิตนั่นเองความสงบของจิต ก็จะทำให้เราไม่วุ่นวายกับสิ่งใดเมื่อมีสิ่งมาถูกต้องกระทบก็มีเพียงสภาพรู้ว่ามีอาัารทุ ก, กะเข้ามาเยือนยมลองนึกดูที่ตมาเคยปฏิบัติใช้คำว่าปิดประตูตีแมว ถ้าเปรียบเหมือนบ้านเราเนะี่ยปิดหน้าต่างปิดประตูอย่างดีมีคนมาเคาะประตูโยมก็ดูและพิจารณาหรือว่าเปิดประตูก็อย่าให้พึ่งเข้ามาก่อน ต้องดูว่าคนที่มามาแบบไหนมีประสงค์อย่างไรในการมายมต้องอ่านให้ออกแขกที่จะเข้ามายมอย่าเพิ่งเชิญเข้าต้องดูก่อนเหมือนสติเราเพอกำหนดได้ไม่ว่าทาง การเห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มได้รสได้สัมผัสทั้งหมดเนี่ยเราอย่าพึ่งเปิดประตูใจที่จะปรุงแต่งใจของตัวเราให้ไปกับสิ่งที่เห็นที่ได้ยินได้รู้ได้สัมผัสได้กระทบอย่า เจ้าของบ้านดูให้ดีก่อนมีสติกำหนดรู้ก่อนประสงค์อะไรที่มามีธุระอะไรที่มาเคาะประตูมาหาใครเราต้องสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนเหมือนกันการได้เห็นได้ยินได้รู้ได้สัมผัสได้กระทบ โยมต้องมีสติกำหนดก่อนว่าสิ่งนั้นคืออะไรเกิดอะไรขึ้นและอะไรเกิดขึ้นจุดนี้จึงมีคำว่าการพิจารณาพอพิจารณารู้จากสิ่งที่เราจะ นำเข้ามาเราจะต้องเข้าใจสิ่งนั้นก่อนไม่ใช่ให้เขาเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าคนดีหรือคนร้ายฉะนั้นเรายังไม่ควรให้เขาเข้ามาง่ายๆการปฏิบัติเช่นเดียวกันที่เราปฏิบัติอยู่ เกิดเสียงที่ที่ได้ยินเป็นเสียงที่หยาบคายเหมือนเป็นศัตรูหรือเสียงที่มันไม่ดีใจของเราอย่าให้เสียงนั้นทิ่มแทงต้องป้องกันก่อนมันเหมือนของก็ให้มาถ้าเป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยอย่าพึ่งรับ กองไว้ตรงนั้นแหละ ว, วางไว้ก่อนอย่าพึ่งไปแตะอย่าพึ่งไปจับอย่าพึ่งไปต้องอย่าพึ่งไปรับดูก่อนพิจารณาก่อนมีคุณมีโทษแค่ไหนกําหนดให้ได้การปฏิบัติต้องละเอียดพอสมควร พอกำหนดดีแล้วค่อยหยิบค่อยต้องค่อยเฉวยขึ้นมาว่ามันก่อให้ประโยชน์มิได้มีโทษต่อเราไม่เรารู้แล้วเราจึงหยิบเข้ามาทะนั้นใจที่ร้ายก็เพราะเราเอาสิ่งร้ายเข้ามาหรือปรุงจิตร้ายร้ายเกิดขึ้นในจิตขึ้นมามันอันตราย แสดงว่าเราเอาสิ่งร้ายเข้ามาหรือพอรู้แล้วก็ไม่กำหนดให้ดีเกิดการปรุงจิตให้ร้ายขึ้นมาแสดงว่าบัดนี้จิตที่สงบนิ่งอยู่ บัตรนี้ถูกทำลายแล้วด้วยความไม่รู้เท่าไม่รู้ทันต่ออารมณ์ขณะที่เรารับเข้ามาแล้วก็ปรุงจิตให้เกิดอาการปรากฏขึ้นแล้วก็แสดงออกอย่างนี้การปฏิบัต ถือว่าละหลวมย่อหย่อนหรือว่าเพลิเลละทิ้งจิตเราไม่รักษาจิตที่ดีบัดนี้จิตของเราเกิดความร้ายขึ้นมาโทษก็ตามมาทำไมเราไม่กำหนดให้ดีชอบหรือไม่ชอบ มีสติกาหนดให้รู้จักวางเฉยหรือปล่อยวางอย่าไปมั่นหมายจึงบอกว่าเราศึกษาธรรมะให้รู้คำว่าอุปาทานในขันทั้งห้า ให้รู้โดยความไม่เที่ยงให้รู้ด้วยสุดท้ายว่าไม่ใช่ตัวตนที่จะยึดถือได้แต่พวกเรามายึดถือเป็นตัวตนทำให้ใจของตัวเองเนี่ยไม่ปกติแล้วอย่างนี้ จ, จะเจริญวิปัสสนานเนี่ยไปไม่ได้ เพราะอะไรเพราะใจเรานั้นยังไม่รู้จักธรรมะหรือยังไม่รู้จักใจตัวเองด้วยซ้ำไปทั้งทั้งที่ใจเราในกิเลสนอนเนื่องอยู่ภายในเยอะมากเราพยายามที่จะข่มหรือสะกดหรือจะสำรอกออก เรายังไม่รู้วิธีพออะไรมากระทบกระทั่งเราก็ปรุงแต่งจิตบันก็ขุนขึ้นมาอีกฉะนั้นต้องพิจารณาในเรื่องของขันห้าเพื่อเข้ามายับยัง้งชั่งใจก็คือเริ่มกำหนดรูปเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณทำไมต้องกำหนดขันทั้งห้าพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าพาลาหะเวปัญจักขันธาซึ่งแปลว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอะอะไรคือคำว่าของหนัก ความยึดมั่นหมายนั่นแหละคือของหนักที่มนุษย์แบกกันอยู่ทุกวันนี้สุดท้ายก็แบกไม่ไหวถูกทอดทิ้งจมลงสู่ดินทั้งหมดอาจีลังวัตยตยังกายโยปทวีอธิเศษสโต จุดโทอเปตวิญญาโนนิรัถังวัคริงขรังซึ่งแปลอยู่แล้วว่าพวกเราเนี่ยอีกไม่นานชีวิตก็จะทับถมซึ่งแผ่นดินอันหาประโยชน์ไม่ได้เสมือนท่อนไม้นั่นเอง ระยมไปแบกทำไมทอนไม้ท่อนฟืนไม่ต้องไปแบกเรียนท ร, รมะให้รู้รรมะและให้ใจที่รู้นั่นแหละละกิเลสพอกาหนดโยมยินดีอย่างเช่นมาทางตาที่เห็นรูป เกิดความยินดีมีราคะเกิดขึ้นในการเห็นรูปสวยๆขึ้นมาใจของเราก็เกิดราคะความกำหนัดยินดีพอใจในรูปก็เกิดอารมณ์ความใคร่ความกำหนัด ยินดีมากเท่าไรก็เปรียบเสมือนต้องการให้ได้มากเท่านั้นสุดท้ายต้องการเป็นเจ้าของเกิดจากราคายินดีในรูปแต่นิสัยยังไม่รู้ว่าดีไม่ดีแต่ราคะเกิดเพราะติดในรูป ฉะนั้นผู้บําเพ็ญต้องแก้อารมณ์จิตในความกําหนัดในรูปก็คือให้ปรงเป็นอสุภะหรือกําหนดรูปนี้ให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมขึ้นมาเป็นกองรูป หรือพิจารณาอาการสามสองเกษาโลมานาขาทันตาตะโจาตะโจทันตาณขาโลมาเกษาเกิดพิจารณาผมขนและฟันนังเนื้อกลับไปกลับมาให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลไม่ใช่ของสวยงามโยมว่าเส้นผมสวยไหมละ่ะบางคนก็ไปหลงผมงามสวยเวลาหลุดร่วงเนี่ย มันก็เป็นเพียงแค่ขยะยกว่าผม ส, สวยๆดำเงานะพอหลุดร่วงเนี่ยมันก็คือขยะทันทีแล้วชีวิตจริงสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นกําหนดต่อสีที่บอกดำเงาก็มาเป็นขาวสุดท้ายผมขาวพโพลน ร้องตะโกนก็ไม่พ้นกฎแห่งกรรมเขีน okay, หรือเปล่าโยมยินดีในเนื้อหนังมังสาว่าขาวแต่งตึงเราถูกหลอกแล้วล่ะเพียงไม่กี่ปีเนื้อหนังที่แต่งตึงก็จะหย่อนลง ตีนกาก็จะเกิดขึ้นไฟเล็กๆก็โตขึ้นกะที่ไม่มีก็เกิดตามขึ้นแขนทั้งแขนมีแต่กะทั้งนั้นบอกตาสวย ไม่นานหนังตาจะปิดแล้วทุกหลอกเราจริงต้องกำหนดในขันห้ามมาแก้ความกำหนัดแห่งใจที่มีราคะพอราคะเกิดไม่ธรรมดานะมันเป็นไฟเป็นไฟนะทำให้ใจนั้นนั่งนอนไม่หลับ ยิ่งติดใจมากใจก็มีราคามากเหมือนพิสุรูปหนึ่งในตอนบินธบาทยามเช้าขนาดผู้หญิงงามเมืองเนี่ยท่านป่วยอยู่ก็อยากจะทำบุญแต่ไม่สามารถเดินเหิน อย่างแข็งแรงได้ก็ให้ผู้อื่นตักแทนและตนก็มองอยู่ข้างบนพิสูบินตาบาทพอเหลือไปเห็นเท่านั้นแหละจิตเกิดปฏิพั์ขึ้นถึงกับกับสู่ที่พมนับเชื่อไม่ว่ากินข้าวไม่ลง ยมเคยได้ยินเพลงไหมไม่เห็นหน้าเจ้ากินข้าวไม่ลงคอ เ, เพอเห็นหน้าเจ้าโอ๊ยกินข้าวหมดหม้อครับเรื่องจริงไม่ใช่เป็นเพลงที่ไม่มีความจริงพระพิสุวันนั้นฉันไม่ได้และไม่ฉันใจเห็นแต่หน้า เป็นในมิตติตาติดใจตรึงตาตรึงใจไม่เป็นอันกินอันนอนแล้วจนผาย้อมจะตายเอาพระสุดท้ายไม่นานนางก็ตายป่วยเ ข, เข้านักเข้านะเข้าตายพระพุทธเจ้าก็ทราบว่าพิสุลูกของเรานี้เสียสูนแล้วตอนนี้ ไฟแห่งราคะได้ไม่จิตไม่สามารถเจริญสัมมาธรรมได้เลยไฟมีราคะใจเป็นราคะเส้นแล้วท่านก็เลยบอกว่าศพของนางอย่าเพิ่งเผานะให้ไปไว้ที่ป่าช้าก่อนให้ผ่านไปสักเก้าวัน ตั้งที่กลางแจ้เสร็จแล้วพอถึงวันก็พระพุทธเจ้าก็ให้พิสูรรูปนี้แหละไปบอกเดี๋ยวจะพาไปให้เห็นหน้านากที่บอกกินข้าวไม่ลงคอทุกคนก็ไปวันนั้น จากค่าตัวนางได้ถึงคืนละหนึ่งพกหาปันะก็สอบถามมาใครจะเอาบ้างไม่มีก็ลดราคามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเก้า0้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยหก้ห้า้ี่ยสามรรอหนึ่งก็ไม่มีใครเอาให้ฟรีให้เปล่าก็ไม่มีใครเอาพิสุ ก, ก็มามองเห็น พิสูก็ไม่เอาเหมือนกันมันไม่เหมือนเดิมแหมไม่เจอหลายวันอ้วนนะพองเลยเขียวคล้ำอืดขึ้นทรงกลิ่นด้วยยมจะเอาไหมละ่ะนางงามแค่ไหนก็ไม่ไหวพอเป็นศพขึ้นเนี่ยไม่ฉีดยาเจ็ดปดเก้า 7, 8, 9, วันเนี่ยน้ำเหลืองใจย้อยแล้วนะ เริ่มส่งกลิ่นล่ะเสื้อนี้แบ่งขาดเลยนะอาตมาเคยเห็นแบ่งจนแบบขาเขอชี้มือไม้ตึงเกรงเนี่ยโอ้โหดูยังไงยังไงไม่เห็นหน้าเจ้ากินข้าวลงคอดีกว่าถ้าเห็นหน้าเจ้ากินข้าวไม่ลงคอทีนี้ต้องมีเพลงมาแก้พิสุ รูปนั้นหายป่วยเฉียบพลันไฟแห่งราคะดับปื๊บสติมาปัญญาเกิดปรงสังเวทใกล้บรรลุเลยนะนะ่ะให้พวกเราพิ จ, จนาแก้ในเรื่องของราคะไว ท่านเวลาโยมตาเห็นรูปอาตมาก็บอกใครล่ะไม่ชอบรูปที่สวยๆใครบอกไม่ชอบคนนั้นโกหกใครไม่ชอบเสียงที่ไพเราะชอบทั้งนั้นใครไม่ชอบกลิ่นหอมๆชอบใครไม่ชอบรสอาหารที่อริดอร่อยชอบใครไม่ชอบสัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลชอบแต่ ถ้าไม่มีสติทำให้เราติดอกติดใจแล้วก็ไปไม่ได้นั่นคือหนึ่งในขุนพลของกิเลสระวังเข้ายั่วพวกเราพวกเราจะหลงได้เข้ายั่ว บางคนก็มาทางเสียงบางคนก็มาทางกลิ่นหอมบางคนก็ติดกลิ่นบางคนก็ติดในรถอาหารบางคนก็ติดในรูปสวยๆบางคนก็ติดในเสียงเพลงเพราะๆหรือคําหวานตายมาเยอะแล้วยกพอกินเข้าไปมันบาดคอคอขาดหวานเกิน เราก็ต้องเอาขันห้ามากาหนดพิจารณาแล้วก็จะผ่านไปได้ถ้าไม่กาหนดโยมก็น่าเอาฟันยิ้มนิขาวสวยทุกวันมวยอึมที่เขาว่านะมันไม่นานหรอกต่อไปก็เป็นอ่ะอมไม่ใช่อามวยโยมก็ไปถามว่าคนจีนอ่ะอึมแปลว่าอะไรอ่ะอม เดี๋ยวเขาก็จะเรียงนับญาติให้ว่าอาวุโสขั้นไหนอยากอึมเป็นอึมมันก็ไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่ฉะนั้นอย่าหลงภาพลวงตาและอย่าหลงมายาที่กำลังเห็นบางทีเขาเสแสร้งก็บอกเอวกลมอะไรเอวบาง ร่างเล็กโขผ่านไปเจ็ดแปดปี ม, มาหืมาหลายคนโยผู้ชายบกนึกไม่ถึงว่าภรรยาของผมนี้จะเป็นได้ถึงขนาดนี้ถ้ารู้นะผมไม่แตะแล้วนะนี่คือความปิดข้อที่หนึ่งผมตอนนั้นว่าเขาสวยแต่ตอนนี้อย่าเข้ามาใกล้ผมนะกลัวเมีย เมียอ้วนกว่าเก่าเยอะไปนั่งที่ไหนก็ไปไกลๆอายเขาเมียก็แหมไม่เคยชวนไปดูหนังเลยนะตั้งแต่ได้มาห้าปีให้นั่งห่างไปทุกปีทุก ป, กปีปีแรกก็นั่งชิดๆหน่อยพอ ป, ปีสองบอกห่างๆหน่อยมันร้อนๆยังไงไม่รู้พอ ป, ปีสมห่างอีกนิด พอได้ลูกติดสองพอปีสามปีสีบอกไปไกลๆเลยพอห ล, หลายๆปีไปจะอยู่หรือจะเลิกเนี่ยอา้าวและคำเพราะเพราะไปไหนหมดสามีมองมันไม่เหมือนเดิมไม่จำเป็นต้องพูดเหนีย <c> น <oughs> นึกแค้นใจรับมิด เธอก็หลอกลวงฉันนี่เมื่อก่อนเธอบอกฉันสวยฉันสาวฉันดีไปหมดฉันน่ารักไปหมดยังไม่ขอก็ซื้อให้เดี๋ยวนี้ขอหนกเปืองเห็น <numbers S 1> ไหมถ้าเรายินดีกันเพียงรูปลักษ์ภายนอกอยู่ไปนานๆปัญหาเกิดถึงก็บอกคบกันให้ดูนิสัยว่าไปกันได้ไหม ถ้าอเอาแค่รูปสวยรูปหล่อนะพอผ่านไปสิบสบห้าปีเนี่ยความหล่อมันก็กกค่อยค่อยสึกไปเรื่อยเรื่อยรืยไอ้ความสวยก็ค่อยๆสวยลงสวยลงสวยลงถ้าวันนี้โยมยังชมภรรยาว่าสวยอยู่หัหยถ้าใครบอกว่าสวยบอกว่าเลยสามีมแกล้งเอาใจนะเนี่ย เขารักเราจริงเขาก็เลยเอาใจเราแต่จริงๆแล้วไม่ได้สวยเหมือนเดิมแต่เขาอาจจะมองว่าเราสวยที่มีนิสัยมีจัร ญ, ญาที่ดีพอโยมเอาธรรมะมากำหนดเราสามารถลดไฟแห่งราคะได้การติดอยู่ในรูปก็จะสิ้นสุดลง และยิ่งโปรงอสศภะยิ่งมองเป็นดินน้ำไฟลมสุดท้ายเนี่ยเห็นแก่เจ็บตา ย, ยร่างกายเป็นของที่ไม่ยั่งยืนเราไม่กำหนัดอยู่ในรูปที่กำหนดแล้วแต่ถ้าไม่กำหนดก็จะกำหนดไม่ว่าใครแต่มาบอกใครแล้วไม่ชอบรูปสวยๆทุกคน อาจมาพูดได้เลยในโลกใบนี้ไม่มีเสียงใดไพเราะเท่ากับเสียงอิสตรีไม่มีเสียงใดไพเราะเท่ากับเสียงบุรุษเรื่องจริงไม่มีรูปใดที่จะงดงามสวยเท่ากับรูปของอิสตรีและก็ไม่มีรูปใดที่งดงามสวยงามเท่ากับรูปของบุรุษ มันดูดมันตรึงกันไว้ถึงบอกว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถึงบอกว่ามนุษย์จะหลุดออกจากคมาราคาเนี่ยต้องปฏิบัติกันแบบเข้าถึง ธรรมะจริงๆไม่ใช่ธรรมะเล่นๆไม่อย่างนั้นพวกเราเนี่ยก็ยังปล่งไม่ได้บางคนอายุเจ็ดปดสิบใจบอกไม่แก่ใจนั่งยักคิ้วข้างหนึ่งเก๊ก๊ก๊แต่เขาไม่สนแล้วล่ะอัตภาพร่างกายมันไม่ไหวแล้วแต่ว่าใจบอกไหวที่เขาเรียกเท่าหัวงูก็นี่แหละประเภทนี้แหละ ใจไม่ยอมแก่ยังเจ้าชู้อยู่ราคะยังมากแปดสิบราคะไม่ได้หมดไปกับอายุนะแต่จะหมดไปกับธรรมที่กำหนดพิจารณาดนผ่านไปเรื่องหนึ่งในเรื่องของรูปของขันเราโยมยังติดอะไรอีก ก็ต้องเอาสิ่งมาพิจารณาและโดยเฉพาะชีวิตที่เราอยู่อาศัยอยู่ในขันห้าในรูปขันก็หนึ่งและก็เวทนาขันก็คือสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรือเป็นอทุกขมสุขเวทนาเป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข ฉะนั้นชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยสุขหรือทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามชีวิตของเราเนี่ยเราต้องมารับรู้ในเวทนาแต่ยมจำไว้สุขก็ไม่เที่ยงไม่สุขก็ไม่เที่ยง ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลางๆงก็ไม่เที่ยงโยมลองกำหนดดูเรากำหนดได้ด้วยใจของเราเองเคยดีใจแล้วก็เสียใจเคยร้องแล้วก็หัวเราะบ่งบอกถึงความสุขความสนุกความโศกเศร้าหรือความสูญเสีย หรือบางครั้งก็เฉยๆทุกอย่างมันไม่มีอะไรเที่ยงโยมอย่าไปหลงอย่าไปติดมันเป็นเพียงขันหนึ่งในชีวิตที่เราใช้อาศัยและก็ได้ลิ้มรสหรือได้รู้จักกับสิ่งเหล่านั้น ตอนนี้ยมเข้าใจว่าสุขเป็นยังไงน่ายินดีน่าพอใจคงจะใช่และทุกเป็นอย่างไรไม่พึงประธนาไม่พึงประสงค์คงจะถูกส่วน ก, นกลางๆงนั้นก็เก็บไว้เพราะไม่ได้บอกว่าสุขหรือทุกเป็นกลางกลานั้น ชีวิตของเราที่เกิดมาโยมปฏิเสธได้ไหมว่าเราจะไม่ทุกข์ไม่ได้ชีวิตของเราเกิดมาจะไม่พบสุขปฏิเสธสุขก็ไม่ได้นั่นก็แสดงว่าโยมต้องเจอทั้งสุขและก็ทุกข์แยกเป็นสองอยา่างร่างกายกับจิตใจ สุขกายสุขใจทุกกายทุกใจไม่สบายกายไม่สบายใจนี่ชี้ให้ดูก่อนอย่างคนมีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยต้องเรียกว่าไม่สบายกายแล้วก็มีความทุกมีเวทนาเกิด มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นในร่างกายนี่ก็เป็นทุกข์แต่เป็นทุกข์ทางกายทุกข์ทางกายไม่เกินร้อยปีหายขาดหายขาดทุกคนบางทีมีโยมก็ถามเมื่อไรพระอาจารย์จะหายจากน้ำมูกโรคภูมิแพ้บอกเออมาก็ว่าอีกหน่อยก็คงจะหายทนอีกหน่อยโยมนี่ก็ก็ใกล้แล้วละ่ะใกล้หายแล้ว โยมก็มองหน้าพระอาจารย์หมายถึงว่าตายแล้วหายใช่ไหมใช่โยมอยู่อีกหน่อยแล้วก็จะหายหมดทุกโรคไม่ว่าความดันเบาหวานหัวใจโรคเ ก, กาโรคตับโรคไตโรคไส้โรคท้องขายเกลี้ยงหมดแม้กระทั่งโรคหัวใจอย่าไปกังวลกับมันมาก เรามีหน้าที่รักษาดูแลเขาทำให้ดีที่สุดเมื่อทําดีที่สุดแล้วถ้าเราควบคุมไม่มันไม่ได้มันเป็นชะตาของเราอะไรจะเกิดมันก็เกิดโยมต้องยอมรับขานี้ด้วยสิ่งที่เราควบคุมมันไม่ได้เกินจากกำลังเกิมจากอานาจเกินจากสิ่งที่เราควบคุมแล้วถ้ามันจะเกิด เราต้องยอมรับสิ่งนั้นให้ได้ถ้ายอมยอมรับไม่ได้เป็นคนไม่มีปัญญาและทุกที่มีจะคูณเข้าไปอีกเป็นสองสามเท่าตัวโวยวายเข้าไปร้องห่มร้องไห้เข้าไปกระโดดทืบเท้าเข้าไปส่งเสียงโหเข้าไปตมาบอกมันไม่มีประโยชน์ พระพุทธเจ้าสอนผู้ภาวนาว่าไงทุกควรกำหนดรู้ไม่ใช่ไว้ไวัยแต่เหตุของทุกควรละเสียเหตุของทุกไม่ใช่คือกายเหตุของทุก ค, คือใจที่เรายังเวียนเกิดเวียนตายร่างกายนี้เราอาศัยด้วยธาตุสี่แก่เจ็บตายเป็นของธรรมดา ยมต้องเคารพกฎที่มีอยู่ในชะตาที่เราเกิดมาอย่าไปร้อนใจสิ่งนี้ตรรมากําหนดเห็นแล้วแก่เจ็บตายเป็นของร่างกายไม่จำเป็นต้องเสียใจไม่จำเป็นต้องทุกข์เพิ่มกว่าทุกข์ที่มีอยู่แล้วเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้ว ต้องรู้จากปล่อยวางหรือปลงให้ตกเอาล่ะความไม่สบายกายเรารู้แล้วความหิวก็เป็นทุกข์ร้อนมากก็เป็นทุกข์หนาวเกินก็เป็นทุกข์เจ็บป่วยไข้ก็เป็นทุกข์นี่เป็นโดยที่มีอยู่โดยธรรมชาติแต่ความทุกข์ใจอย่าบอกว่าทุกข์โดยธรรมชาตินะ จุดนี้เหตุความทุกข์ทั้งหมดให้ไปสรุปจดจอ่อลงไปที่ใจเคยได้ยินไหมตัณหาวิภวะตัณหาภวะตัณหาความอยากหนึ่งความไม่ปรารถนาให้เกิดให้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หนึ่งมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะ่ะ มันเป็นทุกข์ถ้าเราไม่เข้าใจนะเราจะพยายามปฏิเสธแต่ธรรมาบอกเด้ไงว่ามันมีกฎต้องเคารพกฎมันมีกรรมต้องเคารพเรื่องของแรงกรรม เราต้องแยกให้ออกฉะนั้นวันนี้ใจของเราที่ทุกข์ถ้ากายมีทุกข์แล้วใจทุกข์ด้วยแสดงว่าเรายังแยกกายจิตไม่เป็นเรายังไม่เข้าใจเรื่องคำว่าแยกกายแยกจิตเพ่งดูพินิษย์ชีวิตกับธรรมะถามจริงรู้จักแค่ไหนที่เราภาวนาอยู่ ผู้ภาวนา ย, ยังไม่เข้าถึงกายแท้จริงแล้วจะเห็นกายได้อย่างไรจะรู้ภายในกายได้อย่างไรไม่แจ้งจิตไม่รู้จิตไม่เห็นจิตจะเข้าใจจิตแท้จริงได้อย่างไรร้อยปีเขาเท่านั้นเหมือนเดินวนแต่ไม่รู้ว่าวนอะไรปฏิบัติธรรมบางคนก็ยังไม่รู้ว่าธรรมคืออะไร จริงๆธรรมะพระพุทธเจ้าสอนให้เกิดที่หัวใจมันมีพิสูรูปหนึ่งสุดท้ายพระพุทธเจ้าสรุปให้พิสูรูปนี้ใช้คำว่าให้ปฏิบัติรักษาใจดวงเดียวถามว่ารักษาได้ไหมพิสูก็กราบแล้วทูลว่า รักษาได้พะเจ้ากะดีแล้วพิสุขเหมือนกันฉะนั้นใจที่เป็นทุกข์โยมต้องกำหนดทุกข์เกิดจากอะไรควรห้ามใจจากสิ่งนั้นสั้นดีไหมความทุกข์เกิดจากอะไรควรห้ามใจจากสิ่งนั้น มันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวที่โยมจะทําไม่ได้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่เราจะต้องทาให้ได้ต้องทําให้ได้ความทุกข์เกิดจากสิ่งใดควรห้ามใจจากสิ่งนั้นะทดโยมลองกาหนดเองเพราะว่าความทุกข์ของแต่ละคนเหตุที่เกิดมากมาย โยมต้องกำหนดให้รู้ด้วยตัวเองพอกำหนดได้โยมจะละได้ไหมในเมื่อรู้แล้วว่านี่คือทุกข์เหตุที่ก่อให้ทุกข์เกิดบางอย่างโยมต้องสูญเสียแต่ถ้าโยมไม่ยอมในการสูญเสียมันก็เหมือนกับเราต้องแบกสูญเสียแล้วใจยังต้องทุกข์อีก แสดงว่าเรายังเห็นยังเห็นวัตถุมีค่ากว่าจิตใจผิดทางละ่สะสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นของไม่เที่ยงแท้ใ ย, ยต้องมั่นหมายว่าเป็นเราของเราตลอดโยมยังไม่ยอมละคันทะสันดานยังวางไม่ได้กิเลส ต, ตัวนี้เกาะ กินใจมาไม่รู้กี่ภพชาติแล้วเรายังไม่รู้อีกแล้วจะดับทุกข์ได้อย่างไรในเมื่อใจที่เป็นทุกข์แล้วไม่กําหนดรู้เมื่อใจรู้แล้วก็ยังไม่ยอมละทุกข์อีกแล้วทุกข์จะดับได้อย่างไร กำหนดให้มากไว้ตรงนี้อยากเข้าใจว่าวันเดียวและจะเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงแจ่มแจ้งได้ไม่ใช่บางเรื่องใจดวงนี้ละได้ทันทีแต่บางเรื่องละไม่ได้ทันทีโยมต้องดูคำตอบเอง จึงบกวิสุทธิสั พ, พเพเกสหิโหติทุเขหินิพติบอกความหมดจดจากกิเลสทั้งปวงเป็นความดับจากทุกข์ความหมดจดจากกิเลสทั้งปวงเป็นความดับจากทุกข์วิสุทธิสั พ, พเพเกละเสหิโหติทุเขหินิพติ ความหมดจดจากกิเลส ท, ทั้งปวงเป็นความดับจากทุกข์คำว่าหมดจดมันเกลี้ยงสะอาดจนถึงบริสุทธิ์ฉะนั้นโยมดูแลกันว่าทุก์ที่มีใจดวงนี้เมื่อกำหนดได้แล้วเราละ มันได้ไหมปล่อยวางได้ไหมเหมือนอย่างเช่นคนผิดหวังอกหักพ่ายรักมาใหม่ๆบางคนก็ไปคว้าเอาสิ่งหมืนเมาเอาสิ่งเสพติดเพื่อให้ลืมชีวิตว่าตนผิดหวังอกหัก ทำใจนั่นเป็นการแสดงความอ่อนแอไม่ใช่แสดงความเป็นลูกผู้ชายหรือชีวิตจริงเนี่ยเราไม่ควรล้มแบบนั้นจะเป็นหญิงชายก็ต้องยืนขึ้นมาใหม่ทำไมไม่ใช้ปัญญาในเมื่อเรารักเขาเขาไม่รักเรา ในเมื่อเราให้ความสาคัญต่อเขาเขาไม่เห็นความสำคัญของเราจบกันอย่างนี้มันก็ไม่เสียเวลาทำไมไม่เอาปัญญามาคิดอีกในยะหนึ่งทำไมต้องจมอยู่กับไอความรู้สึกเก่าๆเหตุผลเดิมๆที่เราจะสูญเสียสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าสูญเสียสิ่งนี้เรา ตายเสียดีกว่าใครให้คิดแบบนั้นก็้งต่มาก็เชื่อพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนให้คิดแบบนั้นด้วยครูอาจารย์ก็ไม่ได้สอนให้คิดแบบนั้นด้วยหลักพุทธศาสนาก็ยิ่งไม่ได้บอกให้เป็นเช่นนั้นเลยนั่นมันเป็นความคิดตัวเรา ทำเป็นเงื่อนตายแล้วจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้จะมาบอกเราเกิดมาไม่ได้เอาอะไรมาเลยแล้วก็ไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับเราแล้วอยู่ไปอยู่มาสิบกว่าปียี่สบปีพอเจอคนเข้ามามารักมาชอบ แล้วบอกว่าขาดเขาไม่ได้ขาดแล้วตายแน่จริงหรือแน่หรือมันไม่ใช่แต่เขาคิดว่าใช่จิตก็เลยผูกมัดตรึงยึดจิตดวงนี้ไว้ว่าไม่มีเขาเราไม่มี มีเขาเราจึงมีเข้าใจผิดใหญ่โตแล้วผิดความเห็นอย่างนี้เป็นมิจฉามุ่งมั่นที่ผิดผิดไม่ถูกนะมิจฉาสมาธิไม่ได้มิจฉาสติก็ไม่ได้ อยาความทุกข์เกิดด้วยสิ่งนี้ทำไมต้องตอกย้ำตอกย้ำซ้ำซำ้ว่าถ้าขาดสิ่งนี้แล้วอยู่ไม่ได้แตมาไม่เชื่อบางคนเคยอกหักถึงห้าครั้งยังไม่ตายเลยยมเคยฟังสายยันร้องไหมกี่ครั้งแล้วสายยันตายไม่ยมไม่ตาย เราอ่อนแอเองเราไปขีดความเห็นชีวิตเป็นเงื่อนตายเองสุดท้ายเราก็ต้องตายเสียดายเรียนจบปริญญาก็มีแต่ไม่มีปัญญารักษาจิตเสียดายจบหมอก็มี พยาบาลก็มีวิศวะก็มีเรียนมาก็หลายปีแต่ไม่มีปัญญารักษาจิตเทตแห่งความทุกข์ทำไมเราจริงไม่ละแต่เรากลับมองว่าถ้าไม่ได้ก็ต้องตายนี่คือความผิดพลาด ของมนุษย์ปุถุชนธรรมเสดายโยมภาวนาแล้วถ้าสิ่งนี้เป็นทุกข์ทางใจโยมต้องละใจที่เป็นทุกข์มันเหมือนเนื้อร้ายถ้าคล้ายเป็นมะเร็งแล้วก็โยมต้องตัดถ้าไม่ตัดถ้ามันลุกรามได้ มันก็จะฆ่าเราให้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราตัดหยุดการแพร่ได้เชื้อของมันได้เราก็จะอยู่ได้อีกนานสุดท้ายยมจำไหมถึงจะเป็นคู่สมรส ถ, ถึงจะเป็นผัวเมียสามีภรรยาก็สุดแล้วแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะอยู่กันจนวันตายทั้งสอง และจะตายพร้อมกันบางคนได้แค่เดือนเดียวอยู่จีบกันมาตั้งห้าปนะีบางคนสองเดือนจัดงานใหญ่โตหมดไปตั้งหลายล้านบางคนก็ได้ปีหนึ่งสองปีสามปีก็ว่าไปก็เลิกกันก็มี เราอย่าไปมั่นหมายอะไรจนแบบทึกทักชีวิตมันมากเกินมันสุดโตงมันไม่ดีฉะนั้นถ้าจิต ด, ดวงนี้ทุกยมต้องละจิต ด, ดวงนี้ถ้าไม่เช่นนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติไม่ใช่นักภาวนาจะมาไม่เชื่อว่าผู้ภาวนานักปฏิบัติ ทุกแล้วไม่มีปัญญาที่จะรักษาจิตที่เป็นทุกข์ให้หายเนะี่ยเราจะเป็นโรคจิตจะเป็นโรคจิตอย่านะอย่าเป็นยอมรู้ไหมตั้งแต่ตา ม, มาเริ่มจับทางได้ตามานึกถึงเรื่องของรถมีการตรวจสภาพ จะมานึกถึงจิตของเราอย่าให้เน่าอย่าให้เสียอย่าให้ทุกข์มันค้างคืนเราจะต้องตรวจเช็คทุกวันวันนี้ได้รับสิ่งต่างๆเข้ามาโอ้โหพอตกเย็นตกมืดค่ำเข้ า, ขาห้องพระถ้าโยมไม่มีห้องพระก็าหาที่ใดที่หนึ่งก็ได้ พอที่จะกําหนดใจตัวเองย้อนไปวันต่อวันก่อนอย่าพิ่งย้อนย้อนไกลบัตรนี้ใจเราครับอะไรเข้ามาที่ยังข้างค้างอยู่ที่ยังกังวลอยู่ที่ยังแก้ไขไม่ได้ที่ยังร้อนใจอยู่ที่ยังทุกอยู่ย่อมกําหนดให้ได้ทําสมาธิจิตก่อนก็ได้ พอจิตเริ่มสงบลงก็ยกสิ่งต่างๆที่มาวันนี้มาฉายดูใหม่แล้วก็นั่งพิจารณาด้วยเหตุที่เกิดผลที่ตามและสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขโดยวิธีใดหรือวิธีใดโยมนั่งดูดูจิตเห็นจิต ภายในจิตปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ที่ไม่มีทางแก้เพราะตอนที่จะทำตัดสินใจเนี่ยเราได้ตัดสินใจลงไปแล้วและก็ทำไปแล้วมันเหมือนกับแก้ไม่ทันในเมื่อกล้าตัดสินใจสิ่งนั้นลงไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้น คนคนนั้นต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ถ้ายอมรับสิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ได้อย่าเพิ่งตัดสินใจจำคำนี้ไว้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะใหญ่โตแค่ไหนถ้าโยมพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลอย่างถ่องแท้แล้วแล้วต้องตัดสินใจถ้าตัดสินใจสิ่งนั้นลงไปแล้ว อะไรจะเกิดตามมาคนที่ตัดสินใจต้องยอมรับสิ่งนั้นให้ได้ถ้ายังยอมรับไม่ได้อย่าเพิ่งตัดสินใจจำคํานี้ไว้ข่าตัวตายมาเยอะแล้วฉันถ้ายมตัดสินใจสิ่งนี้แล้วถ้าเกิดอะไรมันแก้ไขไม่ได้แล้วยมต้องยอมรับมันให้ได้แต่ถ้ายังยอมรับไม่ได้ อย่าเพิ่งตัดสินใจตรงนั้นถ้าเป็นตายเท่ากันหรืออาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราทั้งชีวิตเลยในการตัดสินใจครั้งนี้คิดให้นานๆเอาเหตุผลทุกอย่างบวกลบคูณหารจะให้ดีเอาเลขทศนิยมมาช่วยอีกด้วยแล้วเมื่อถึงเวลาต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โยมต้องเคารพการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่มันเปลี่ยนชีวิตของเราได้เมื่อตัดสินใจแล้วถ้าอะไรจะเกิดตามมายอมรับชะตาตรงนั้นให้ได้ถ้าโยมยอมรับได้เรื่องนั้นจะร้ายแรงแค่ไหนก็ตามโยมยอมรับได้ทุกอย่าง เรายังประคองชีวิตไปต่อได้แม้จะผิดพลาดแค่ไหนแม้จะลำบากแม้จะหมดเนื้อหมดตัวแม้แต่ล้มละลายหรือแม้จะต้องสูญเสียทุกอย่างไปก็ตามแต่ยมจะไม่สูญเสียชีวิตที่ต้องดำเนินต่อจำคำนี้ไว้มันมีค่ากว่าทุกอย่างเพราะยมยังไม่ถึงหลักชัยของตัวเอง เดินต่อถึงบอกว่าตมาก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวการตัดสินใจที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราต้องตัดสินใจเมื่อตัดสินใจแล้วต้องยอมรับสิ่งนั้นให้ได้ถ้ายอมรับไม่ได้อย่าเพิ่งตัดสินใจเ <mm ช่นเดียวกันการปฏิบัติใจที่เป็นทุกข์และยมบอกว่า เราไม่สามารถแก้ไขมันได้มันเหมือนของเน่ามันเหมือนของเสียซ่อมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ตัดทิ้งไม่ได้มันก็จะอยู่กับเราจนวันตายคนนี้เหมือนกตกนรกทั้งที่ยังไม่ตายแล้วตายแล้วไปตกนรกอีกรอบหนึ่งอย่าให้จิตของเราไปถึงตรงนั้น โยมจะต้องมีวิธีป้องกันรักษาจิตไว้ก่อนสำคัญนะอย่าปล่อยให้จิตของเราไปถึงไม่สามารถถอดจิตที่เป็นทุกข์ได้แล้วต้องใช้กรรมนี้อีกไม่รู้กี่พบกี่ชาติแต่มาว่ามันเสียเวลา ฉะนั้นเหตุแห่งความทุกข์โยมกำหนดให้ได้แต่มาแยกแล้วว่ากายทุกแบบไหนร้อยปีจบทุกอย่างอาจจะแปดสิบปีจบแล้วโรคร้ายทั้งหลายหมดแล้วความรวยความจนก็สิ้นสุดอยู่แค่ตรงนี้แต่สิ่งที่ไม่จบพันของเรามเมล็ดพันที่ยังต้องงอกเงยต่อ ก็คือพบภูมิแห่งจิตดวงนี้ยังมีทุกข์หรือดับทุกข์ได้ถ้าดับไม่ได้โยมต้องกำหนดอย่างเรื่องเวทนาทำไมเราต้องยึดความทุกข์เป็นเงื่อนตายทำไมต้องยึดความทุกข์ด้วยในเมื่อความทุก มันก็ทุกอยู่แล้วทําไมเราต้องต้องยึดถือมันด้วยแต่มาถามมันเหมือนความโกรธไม่ดีเนี่ยเราโกรธใครก็เหมือนโกรธตัวเองและทําไมต้องยึดถือความโกรธทําไมเราไม่ละความโกรธเท็งว่าโยมยังขาดปัญญาในการรักษาพิจารณาจิตยังไม่เป็นนักภาวนาแท้จริง ยมจะต้องค่อยๆลดความโกรธจะเบาบางไปเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เอากุศลจิตเข้ามาแล้วเอาธรรมะมาอบรมจิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกอย่างจนเห็นคําว่าสัจจะแห่งความจิตและอย่าทำอะไรเป็นเงื่อนตายจึงเรียกว่าเป็นผู้ภาวนาพอตอมาเข้าใจปุ๊บตมานั่งกาหนด ใจเราร้อนมีทุกเรื่องนี้ต้องปล่อยวางให้ได้ถ้าปล่อยวางไม่ได้กุศลเราไม่ได้เจริญวันนี้โยมต้องสยบอกุศลทั้งหลายหรือความวุ่นวายความฟุ้งซ่านทั้งหลายอย่าให้จิตนี้ค้างคืนนอนเน่าหรือว่า ที่เร่าร้อนอยู่ถ้าเกิดเราตายในคืนนี้ล่ะโยมรับรองในมันจว่าหลับไปแล้วคืนนี้พรุ่งนี้จะลุกขึ้นมาได้อีกถ้าใครคิดอย่างนี้ต่มาบอกประมาทนะไม่เสมอไปมีคนนอนหลับแล้วไม่ได้ตื่นมีทุกคืนแต่คืนนั้นไม่รู้ว่าใคร อยาเข้าใจว่านอนหลับคืนนี้พรุ่งนี้จะได้ตื่นเราหวังไว้เท่านั้นว่าพรุ่งนี้แต่มีทุกคืนที่คนหลับแล้วไม่ได้ตื่นแล้วคืนคืนนั้นอาจจะเป็นเราในวันในวันหนึ่งและถ้าเกิดจิตของโยมขนาดที่หลับไปเนี่ยจิตเน่าเฟะอยู่จิตเร่าร้อนอยู่หรือจิตฟุ้งซ่านอยู่หรืออกุศลจิตเกิดอยู่หรือความทุกข์ยังทับถมอยู่ โยมลองนึกดูถ้าเราจากโลกนี้ไปจิตดวงนี้ไปไหนตั้งแต่นั้นมาอจะมานอนต้องนอนแบบภาวนาไม่ใช่หลับเฉยๆมันเหมือนการแต่งตัวโยมสวมชุดอะไรนอนหลับตื่นขึ้นมาก็อยู่ในชุดนั้นจิตก็เหมือนกันเราปฏิบัติจิต ภูมิจิตอยู่ตรงไหนในคืนนี้ที่หลับไปนะก็เหมือนแต่งชุดนั้นไว้ถ้าจิตของเราจเจริญอยู่ด้วยองค์ภาวนาพุทโธหรืออานาปานาสติหรือจเจริญอยู่ด้วยกุศลธรรมหรือฟังธรรมแล้วก็หลับไป น, ะนั่นเป็นสุคติพอเราจากไปจากร่างนี้จิตนี้ก็มีภูมิพบที่เกิดก็คือมีสุคติเป็นที่หมายก่อนกุศลก็ส่งผลไป อกุศลก็ตามตามทันก็คือเขาก็จะคว่มเรือให้จมแต่ถ้ายังตามไม่ทันเขาก็ว่ายตามเราเรื่อยๆเราก็พายไปเรื่อยๆมันก็เป็นเช่นนี้ฉะนั้นอย่าให้จิตของเราเน่าค้างคืนอาตรมาแคร์คานี้มากการปฏิบัติต้องทำให้ได้จิตจิตไม่สงบต้องหาอุบายมาพิ จ, จารณา ยังไม่สงบลุกขึ้นเดินเดินกำหนดสติจดจอนึกถึงคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยวิธีใดก็ได้ให้จิตของเราสงบลงและเจริญด้วยกุศลนึกถึงอะไรก็ได้สร้างบุญสร้างบารมีที่ไหนวันไหนเมื่อไรหรือกำหนดจิต ให้มีองค์พระปรากฏอยู่ในใจของเราขึ้นมาเพื่อละจิตดวงนั้นเสียแล้วเจริญในจิตดวงใหม่ขึ้นมาให้เกิดเป็นพุทธานุสติหรือธรรมานุสติหรือสังคานุสติอย่างนี้ปลอดภัยและทำไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนะแต่มาบอกสามเดือนผ่านไปพลังจิตไม่ธรรมาดา การเข้าออกสมาธิรวบรว ม, รว ม, รวมจิตก็ได้เร็วขึ้นการเห็นอะไรก็มีธรรมปรากฏให้พิจารณาตามด้วยมันแปลกนะพอต่อไปพอเราได้มองได้เห็นปุ๊บสติของเราก็ะระลึกได้มันละเอียดตามมาเลยบอกเอออานิสงส์ของการภาวนาสำคัญนะจึงบอกโยมต้องหมั่นดูพิจารณา และสุดท้ายเราก็รู้ว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงอย่าไปยึดจนมั่นหมายว่าไม่มีสิ่งนี้เราอยู่ไม่ได้เข้าใจผิดเราเกิดมาไม่มีอะไรมาเราอยู่ได้เราโตจนบัตดีแล้วไม่เห็นตายแต่ทำไมเราบอกถ้าขาดสิ่งนี้แล้วเราอยู่ไม่ได้เราจะตายต่มาบอกมานเขาหลอก มารเขาหลอกแล้วก็ไปเชื่อมารด้วยมารก็โดนใจแล้วเราก็ไปเชื่อใจที่เป็นกิเลสด้วยสุดท้ายเราก็เสียพบที่เกิดต้องพิจารณาให้ดีฉะนั้นผู้ภาวนาต้องหมั่นชำระจิตให้ขาวรอบสจิตระปริโยธาปนัง การชำระจิตให้ข่ารอบเนี่ยมันพยายามพิจารณาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อนั่นแหละคือวิธีปฏิบัติที่ชำระจิตจนถึงมรรคผลนิพพานในที่สุดและโยมก็จะมีดวงตาเห็นธรรมในอีกไม่ช้าเพราะเวลาเรามองอะไรเห็นปุ๊บสติก็ระลึกได้ธรรมะก็ปรากฏใจเราเองก็ไม่สกปรก ที่จะลุ่มหลงกับทุลีต่างๆนั่นคือการเจริญจิตรักษาจิตได้ดีฉะนั้นผู้ภาวนาอย่านึกนะว่าเราหลับตาอย่างเดียวและจะสำเร็จเลยนะเราจะต้องมีการเจริญจิตอบรมจิตด้วยความสงบก็เหมือนทำให้ใจได้มีที่พักเท่านั้นเอง ไอ้ตมาเห็นอย่างนั้นจริงๆได้เสพในฌานสงบนิ่งเคยทำจนตัวนี้แข็งหมดเลยนะดึงมือไม่ออกกำลังพอมันมากเข้ามากเข้าแข็งบางทีก็เบาเหมือนจะหลุดจะลอยไปเหมือนจะลอยจากพื้นแต่ตมาไม่ได้ไปติดตรงนั้นมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นด้วยการ ปฏิบัติภาวนารู้แล้วก็ว่างไม่ได้มั่นหมายว่าเป็นเราของเราเอานะก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ก็ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเธน